พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำก่องเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องเทศโปรดในแพทย์อวยเกียริสิงหงเล็บ ทำงานครั้งนี้ก็ยากน้อยคนที่จะสามารถทำได้พระเถรานุเถระที่อยู่กันคนละแห่งหนต่างองค์ต่างมายากที่จะมารวมกันได้นี่ก็เพราะบุญวาสนาบารมีของคุณหมอเป็นผู้มีธรรมอยู่ในตนมีความดีอยู่ในตนจึงสำเร็จเสร็จสรบลงได้ อีกอย่างหนึ่งก็เพราะความสามาคัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันของพวกญาติมิตรทั้งหลายด้วยอํานาจบุญของคุณหมอที่มีความดีในตนอัตถะประโยชน์ประโยชน์ของตนทำให้มีสมบูรณ์บริบูรณ์ยาตัทธประโยชน์ประโยชน์ของญาติก็ทำได้ โลกตัดทะประโยชน์ประโยชน์ของโลกประโยชน์สามอย่างนี้ได้ทำบริบูรณ์แล้วมีกำลังเป็นผู้ดีมีคนนับหน้าถือตาเพราะเป็นผู้มีอุปการะคุณและเป็นผู้มีศรัทธาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระกรรมฐานทั้งหลาย จึงมีความยินดีแม้อยู่ที่ไหนก็มีความยินดีมาเพราะความเป็นสมัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าสมัคคีสมัคคานังตโปสุขโคทำงานใหญ่โตปานนี้ยากนักที่จะสำเร็จได้ต้องอาศัยสมัคคีกันทำให้สำเร็จได้ ทั้งญาติทั้งมิตรเป็นสมัครีกันพร้อมเพียงกันจึงสำเร็จได้โดยเรียบร้อยเป็นการดีเรื่องธรรมะธรรมโมก็เทศอยู่หลายองค์แล้วสมองค์สี่องค์แล้วเรื่องธรรมพวกกรรมฐานพวกป่าพวกดงพูดเข้ามาที่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่น พูดเข้ามาที่สกลกายของตนนี้แหละกายจิตพูดเข้ามาที่นี่มาพิจารณาอัตภาพร่างกายนี้มันเห็นว่าร่างที่อาศัยอยู่นี่ได้ร่างอันนี้มาเพราะบุเพกะตะปุญญาตาคือบุญกุศลของเราที่ได้สร้างสมอบรมมาหลายภพหลายชาติ บำเพ็ญคุณงามความดีมาจึงได้สมบัติอันนี้ดีเรียกว่าอัตตะสมบัติสมบัติอันนี้เป็นของหายากเมื่อได้มาแล้วให้เป็นผู้ไม่ประมาทพึงระลึกว่าสมบัตินี้เอามาใช้ชั่วคราวเอามาใช้ชั่วคราวสมบัติอันนี้เดี๋ยวก็เปื่อยพังทลาย เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟของเก่ามันแล้วก็หาเอาอีกเหมือนกันกับบ้านคุณหมออย่างนั้นที่แรกไม่ดีที่นี้ไม่สู้ดีเอาใหม่เอาใหม่ก็มีสมบัติทำเอาใหม่ทำเอาดีปานไหนก็ได้เป็นปราสาทสามชั้นสี่ชั้นก็ได้ เพราะเรามีสมบัติสมบัติอันนี้คือบุญกุศลคือคุณงามความดีมีการรักษาศีลอย่างสมบูรณ์ศีลสมบัติศีลเป็นสมบัติอันหนึ่งเป็นสิริมงคลเป็นความงามอันหนึ่งสมาธิสมบัติทำจิตของเราให้แน่วแน่ให้อยู่กับที่ ไม่ให้ออกไปตามอารมณ์ภายนอกให้อยู่กับที่ให้สงบอยู่กับที่ปัญญาสมบัติความรู้เท่าพิจารณาให้รู้เท่าต่อสังขารร่างกายความเป็นจริงของมันอาศัยใตยรักคือสามอย่างเรียกว่าอณิจลักษณะทุกคลักษณะ อนัตตลักษณะลักษณะทั้งสามอย่างนี้มีเสมอกันหมดทุกตัวสัตว์บรรดาสัตว์ที่มีวิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นมีความแปรปรวนในเบื้องกลางมีความสลายลงไปในที่สุดปัญญาให้พิจารณาให้รู้เท่าว่าเป็นเครื่องอาศัยกันอยู่ชั่วคราวเราจะเป็นผู้ไม่ประมาท รีบเล่งทำรีบเล่งเอาสมบัติภายในคือเอาอัตภาพนี้รีบเล่งทําคุณงามความดีทรัพภายในนี้จะติดตามเราไปถ้าเรายังไม่มีความเบื่อหน่ายในสังสาระจากการท่องเที่ยวเราจากไปเราจะได้มีสุขคติอย่างเดียวทุกคติไม่มี ท่านแสดงว่าธรรมมีสามอย่างกุศลธรรมมาอคุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาธรรมสามอย่างอัพยากฤตรธรรมหมายความว่าความเป็นกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่มีความดีไม่มีความชั่วไม่เอาจิตอันนั้นสูงแล้วกุศลธรรมมา คือกุศลธรรมอันมนุษย์สร้างอยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ากุศลาธรรมมาคือคุณความดีกุศลความฉลาดคุณหมอเป็นผู้ฉลาดสามารถจะเอาทรัพย์อันใดที่เป็นแก่นสารทรัพย์อันใดที่ไม่มีสาระแก่นสารคืออัตภาพทำให้มันเป็นแก่นสาร เอากับมันเอากำไรกับมันทำกำไรกับมันได้แล้วเร่องอบรมจิตใจของเราให้ดีแล้วอัตภาพมันจะเป็นอย่างไรก็ตามมันมันมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นของมันแล้วก็ไม่มีความหวัดหวัน่นหวั่นไหวต่อมันเพราะรู้เท่ามัน รีพากันทำเสียท่านแสดงว่าทำไม่มีอยู่ที่อื่นนี่แหละก้อนทำทั้งหมดทั้งก้อนนี่แหละสะกลกายของเรานี่แหละมีอยู่นี่แหละกายเรียกว่ารูปธรรมนา ม, มาธรรมคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ความจำความหมายความปรับปรุง ความแต่งอย่างใดอย่างหนึง่งความรู้ทางทวารทั้งหมดเรียกว่าวิญญาณรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าวิญญาณรวมเป็นทั้งหมดทั้งรูปก็เรียกว่ารูปธรรมความรู้สึกทั้งหมดเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณเรียกว่านามธรรมมีอยู่สำหรับในโลกนี้แต่ว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าสัพเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญายะปัสสติอัฏถะนิพินนทตติ ทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยาผู้มีปัญญามาใกล้ควรพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายเช่นมนุษย์ก็ตามสัตว์เดรัจฉานอะไรก็ตามมาพิจารณาเห็นเป็นของไม่แน่นอนว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ เมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันนี้เรียกว่าเป็นทางหมดจดของผู้นั้นเป็นทางบริสุทธิ์ของผู้นั้นสัพเพสังคาราทุกขาติยัถาปัญญายะาสติอาาัฏถะนิพินทติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยาสังขารร่างกายมาเห็นเป็นทุกข์ ให้พิจารณาธรรมอันนี้คือสกลกายอันนี้เป็นทุกข์ย่อมมีความเบื่อหน่ายต่อสังขารที่เป็นอยู่สัพเพ ธ, ธรรมมาอนัตตาติยัถาปัญญา ย, ยัสติอาาัฏานิพพินทติทุกเขเอสะมคโควิสุทธิยาธรรมทั้งหลายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล คือสกลกายใจของเรานี้แหละไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระพุทธเจ้าแสดงไว้ง่ายๆไม่ลึกลับซับซ้อนเปิดเผยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกับภาชนะที่คว่าอยู่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดขึ้นให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นนั้น เหมือนอยู่ในที่มืดพระพุทธเจ้าเป็นผู้จุดตะเกียงให้คนเห็นของสิ่งทั้งปวงท่านแสดงให้เห็นอันนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นออกไปนอกสกลกายนี้เห็นจิตเห็นใจของตนนี้มันเป็นอย่างไงสอนให้มันมีสติมีสัมปชัญญะสติความระลึกอยู่กับกายนี้ สติความระลึกผูกพันอยู่กับใจนี้ให้มันรู้กำหนดเข้ามาพิจารณาจะรู้จะเห็นอาการลิโกไม่ต้องอ้างการเวลาถ้ามีสติกำหนดเข้ามาจะรู้ทุกเวลาว่าจิตของเรามีราคะไหมหรือหายแล้วไม่มีก็จะรู้จำเพาะตนนี้ ดูโทสะมีอยู่หรือโทสะหายแล้วดูโมหะความโง่ความเขลาวความหลงยังมีอยู่ก็จะรู้หรือจิตของเรามันหายโทสะหายโมหะแล้วก็จะรู้พระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาเข้ามาให้เห็นเห็นอันนี้เรียกว่าเห็นธรรม จิตของตนเป็นอย่างไรจิตของตนเป็นกุศลมีเมตตามีวิหารละธรรมเป็นเครื่องอยู่หรือมันยังมีราคะโทสะโมหะครอบงำอยู่ก็รู้รู้แล้วจะได้แก้ไขตัวมันรีบปลดเปลื้องออกไปเร่งรีบทำความเพียร ขับไล่สิ่งที่เศร้าหมองคือราคะโลภะโทสะโมหะให้มันเบาบางไปออกจากขันธสันดานดวงจิตบริสุทธิ์ผุดพองทำให้คนบริสุทธิ์ทำให้คนมีสิริให้มีโภคัรัพก็เพราะคนเป็นผู้ทำคุณความดีมีศีล สิ่งที่บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภกขศัพย์จิตดีบริสุทธิ์แล้วจิตไม่อิจฉาพยาบาทเบียดเบียนแล้วจิตอันนั้นแหละก็เป็นที่มาแห่งโภกท้ัพย์ปัญญาเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงแล้วว่าสิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้นมีความสลายไปรู้เท่าทันอย่างนี้แล้ว ไม่มีความเสียอกเสียใจพกกข้าศัพ์ภายนอกมันมีขึ้นแล้วมันเกิดวิบัติไปก็ไม่มีความเสียอกเสียใจหรือเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากจะต้องพรัดภากจากไปก็จะไม่มีความทุกข์และเสียใจเพราะรู้เท่าทันอัตภาพร่างกายสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ มีแต่บ่ายหน้าไปบ่ายหน้าไปหาความแตกดับเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นอันที่จริงมันไม่ใช่มันตายพระพุทธเจ้าว่ามันตายเล่นไม่ใช่ตายจริงตายแล้วมันกลับก่อขึ้นอีกมันบังเกิดอีกเพราะความอาลัยอาวรณ์คิดเหมือนพวกคุณหมอคุณหญิงก็ดี เดี๋ยวนี้อัตภาพร่างกายมาอยู่ที่นี่ที่ถ้ากลองเพนพอออกจากที่นี่จะไปไหนละ่ะเพราะจิตดวงนี้มันไปจดจ่ออยู่กรุงเทพที่อยู่ของตนอยู่ที่ไหนก็ต้องไปจดจ่ออยู่นั่นสัตว์ตายแล้วเกิดที่ไหนพระพุทธองค์ไม่ทรงพยากรณ์เพราะการทำความดีความชั่ว มันอยู่เป็นเพราะกรรมกรรมเป็นของของตนกรรมดีให้ผลตอบแทนคือความดีความพอใจกรรมไม่ดีให้ผลตอบแทนคือความไม่ดีความไม่พอใจมันเป็นสมบัติของสัตว์ทาตนี้ยังอาลัยอยู่กับสิ่งทั้งปวงแล้วคิดดูใจเราเดี๋ยวนี้แหละ เดี๋ยวนี้จดจออยู่กรุงเทพตายไปเกิดที่ไหนละ่ะเกิดกรุงเทพมนุษย์ถือผีถือนั่นถือเทพบวงสวงอย่างนั้นอย่างนี้เอาอันนั้นเป็นสาณะที่พึ่งก็เหมือนกันมันเคยแต่ว่ายเคยแต่พึ่งอันนั้นมันตายจากนั่นมันเอาแต่นั่นเป็นชาติ ชาติอันนั้นมันต้องเป็นชาติของเขาอยู่อย่างนั้นจิตเราไปจดจ่ออยู่ที่ไหนมันก็ไปเกิดที่นั่นแหละอยู่ที่บ้านมันก็ไปเกิดอยู่ที่บ้านเพราะเหตุนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงแนะนำสั่งสอนเทศนาอบรมจิตใจอย่าให้มันไปเกี่ยวข้องในอารมณ์ บ้านช่องที่อยู่ที่ทํางานทําทําไปแต่ไม่ให้จิตไปเกี่ยวข้องให้จิตอยู่กับจิตให้จิตมันรู้เท่าอยู่กับจิตกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรามันแตกมันดับไปแล้วมันไปเกอะพบใหม่ชาติใหม่ดวงจิตดวงเดียวนี่แหละมันไปก่อจิตนี่แหละ เดิมมันผ่องแผ้วแต่อาศัยมันไม่รู้เท่าอารมณ์อาศัยอาคัรตุกะกิเลสคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเอาเข้ามาฉาบมาทาแล้วทำจิตของเราให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปจิตเดิมเลยกลายเป็นตัวอวิชชาความโง่ความเขลาไป ไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงไม่รู้เท่าสังขารยึดถือเมื่อสิ่งทั้งปวงวิบัติไปแล้วก็มีความเศร้าโศกเสียใจอาลัยผูกพันสิ่งที่ไม่พอใจมาประสบพบกันมาประชุมร่วมกันประสบอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความคับแคนเป็นเหตุให้เกิดความทุกโทมนัด ความคับแค้นเห็นสิ่งที่พออกพอใจพัดพากไปไม่มาร่วมไม่มาประชุมร่วมนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกความอารายอาวรถึงกันเรื่องของสังขารมันเป็นอย่างนั้นจึงให้พิจารณาให้รู้เท่าเกิดเป็นรูปเป็นนาม ล้วนแต่ของไม่เป็นสาระแก่นสารทั้งหมดนั้นรู้เท่าแล้วถึงสิ่งทั้งหลายมันจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความอะไรอาวรถึงสิ่งเหล่านั้นถึงเราก็จะเป็นไปอย่างนั้นอย่างเดียวกันเมื่อจิตใจของเราอบรมดีแล้วรู้เท่าแล้วนั่นแหละไม่มีความหวั่นไหว แล้วย่อมผ่องใสจิตไม่เศร้าโศกจิตผ่องใสจิตเบิกบานจิตเยือกเย็นจิตเยือกเย็นแล้วสิ่งทั้งปวงมารวมกันหมดภายนอกวัตถุเข้าของเงินทองแก้วเหวินเงินทองอะไรก็มารวมหมดมาอาศัยพุโทโธผู้รู้พุโทโธมีอยู่ทุกรูปทุกนาม พุทโธคือผู้รู้สัมปชัญญาคือผู้ตื่นอยู่ผิดหรือชอบตื่นขึ้นสัมปชัญญาเป็นผู้ตัดสินเราทำผิดหรือเราพูดผิดคิดผิดไม่ถูกสัมปชัญญาเป็นผู้รู้สติเป็นผู้ระลึกขึ้นพอระลึกแล้วสัมปัญญะว่าถูกเราก็ทำถูกพูดถูก คิดถูกนั่นละรู้เห็นตนอยู่อย่างนั้นจิตจะได้เบิกบานแช่มชื่นเบิกบานจิตเบิกบานแล้วไม่มีความเจ้าโศกไม่มีความเสียใจไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความทุกข์ยากไม่มีความเสียใจสบายใจครั้นเย็นแล้วสิ่งทั้งปวงภายนอก ย่อมไหลเข้ามาเงินทองมาพึ่งมาพึ่งพุทธโธหมดมาพึ่งธรรมโมมาพึ่งสังโคหมดเดี๋ยวนี้เราถึงพระพุทธเจ้าอย่างไรถึงพระธรรมอย่างไรถึงพระสงฆ์อย่างไรให้มาพิจารณาถึงกายของตนจิตใจของตนถึงพระพุทธเจ้าหมายความว่าใจเบิกบาน ใจรู้เท่าต่อสิ่งทั้งปวงไม่มีความดิ้นรนต่อสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่พอใจก็ไม่มีความรู้สึกฟูกขึ้นตามอารมณ์เรียกว่าพุทโธเป็นผู้รู้ยิ่งทำไม่ใช่อยู่ที่อื่นให้พิจารณาเอาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วนี่เรียกพุทโธ พุโทโธเป็นผู้เห็นพุโทโธเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้ตื่นแล้วไม่มีความโศกเศร้าไม่มีความอาลัยธัมโมคือแสงสว่างเมื่อจิตสงบแล้วนั่นแหละมีความสว่างสวัยขึ้นมาในดวงจิตจิตสงบลงไปแนวแน่ลงไปมีความสว่างสวัยขึ้น ทำให้เราเห็นสิ่งทั้งปวงเห็นอัตภาพสกลกายใจของตนชัดเจนขึ้นไปเห็นธรรมโมสว่างขึ้นเห็นว่าโอแม่นจริงๆพระพุทธองค์ว่าอัตภาพเป็นของกลางใครฉลาดใช้มันก็ได้ใช้มันดีเอากำไรกับมัน ซื้อบุญกุศลคุณงามความดีไว้ใครเป็นผู้โงกเขาไม่ก็เป็นผู้ประมาทไปยึดถือไม่เร่งรีบบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตนไว้ก็ไม่ได้อะไรกับมันเสียสมบัติ ด, ดีปล่อยให้มันแก่มันเท่ามันตายไปอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ฉลาด ก็เพราะไม่รู้เท่ามันมายึดถือเป็นตนเป็นตัวก็เป็นเหตุให้ทำสิ่งที่ไม่ดีทางกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้ชื่อว่าเสียสมบัติอันนี้พระพุทธเจ้าก็ว่าอยู่กิดโฉ มนุสสั ป, ปติลาโภการที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นลาบใหญ่เกิดมาชาติหนึ่งหนึ่งแสนทุกแสนยากแสนลําบากเราได้มาแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทเร่งรีบเอาทรัพย์ภายในไว้เสียความได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นลาบอันสําคัญมนุษย์เป็นชาติอันสูงสุดเป็นสัตว์ใจสูง มีเมตตาซึ่งกันและกันได้สมบัติมาดีแล้วก็รีบเอามันรีบทำเอาเสียอบรมบ่มอินทรีย์ให้มันแก่ก้าแก่ก้ามันสุกสุกมันก็ดีหมากไม้มันสุกมันก็หวานไม่สุกแกมดิบนอกจากอัตภาพร่างกายและจิตใจของเราแล้ว สิ่งอื่นไม่มีจะไปพิจารณาสิ่งอื่นนอกออกไปจากสกลกายของเราแล้วไม่มีเรื่องนอกธรรมเรื่องข้างนอกกว้างขวา ง, วางต้องเข้ามาพิจารณาแต่กายกับใจของเราเท่านั้นอันนี้ได้ชื่อว่าเข้ามาใกล้แล้วใกล้เข้ามาทุกที ใกล้ทางพระนิพพานเป็นผู้อยู่ต้นทางพระนิพพานก็ว่าได้เป็นผู้ไม่ประมาทเข้าใกล้ทุกทีทุกทีครั้นบารมีของเราพร้อมบริบูแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาได้